ที่ว่าเราคิดคิดกมาธิคิดสมาธิเราคิดยาวคิมีกำจัดคิดประเภทคนคิดคนทีนี้คนละจักมีจิตวิญญาณเหมือนกันไหมเหมือนกันเหมือนกันทั้งหมดเราจะเป็นขาวเป็นดำเป็นอย่างเป็นแดงเป็นไม่ก้ไวเหมือกันตุกอะไรก็แล้วแต่เถอะมันมีจิตวิญญาณเหมือนกันทั้งหมดเมื่อมีจิตวิญญาณเหมือนกันก็แสดงว่าจิตวิญญาณตัวนี้แหละคือคือตัวร่างกายของเราทีนี้เมื่อเราเก็บ จิตญาณนี้ไม่เจ็บด้วยเมื่อเราป่วยจิตวิญญาณไม่ได้ป่วยด้วยเธอห้ามถ่ายรูปเมื่อจิตวิญญาณนี้ไม้ป่วยร่างกายเราป่วยแต่เหตุที่เรามีความรู้สึกมีอาจารย์อย่างนั้นเพราะความเคยชินความที่เราผูกพันกับมันว่านี่เป็นของเราหนาตัวกูนี่เป็นของกูผมก็ของกูฟันก็ของกูและของกูหนังัก็ของ ตอนจริงแล้วมันไม่ใช่ของกูมันเป็นของเขาแต่เราไปยิ้มเขาม า, าใช้ใช้แล้วก็ลหลงเรื่องงไม่ยอมคืนชาวบ้านเขาหรือนึกว่ากูจะไม่คืนต่อไปละกูจะคลองไว้ตลอดสภาพตลอดสมัยกูงโงไไ่บั่เลรบัดซบที่สุดใช้ไม่ได้ไม่มีปัญญาแล้วยั ง, งโง่หลอกไวโกงของชาบ้านเขาไปเพราะนั้นเมื่อเรารู้สภาว่าความจริงว่าตัวเราจริงๆคืคคอจิตปิญญาณใช่แล้วกู พระจอมไตรยุรองก็ทรงนำหลักต่อไปว่านี่ในทางคีร์วัชิระปัญญาใบมหาญาณมีการเขียนเป็นคีร์แล้วขนาดนี้ว่าจิตวิญญาณรือจิตเดิมแท้ของมนุษย์ทุกประเทศเป็นจิตของพุทธะพุทธะเป็นความเบิกบานเป็นความบริสุทธิ์เป็นความใสสะอาเมื่อจิตของพุทธะมีอยู่ในร่างกายคนเราทุกคนแล้ว แล้วเราทำไมถึงไม่เห็นจิตแนีแท้ไม่เห็ น, หนธรรมพุทธะหรือไม่เห็นกายที่พวกเราเข้าใจเรียกว่าเป็นกายของพระเนจ้าวนั่นดังต้อยเหตุที่มีตัวสีมาสาคาให้เราไม่สามารถเห็นไอ้ตัวสีตัวนี้แหละเป็นเครื่องเกาะกินใจอย่างร้ายมากเป็นเครื่องทำลายความสะอาดบริสุทธิ์ทั้งจิตทุกอย่างสีมีทุกอย่างสีก็เยอะสีที่องค์สังกัดพระจอมใจถือว่าเป็นตัวของมนุษย์ที่เกาะกินความดีก็คือตัวราศ เมื er ่อสีราคะเกิดจิตวิญญาณิสัยท่าอานย่อมข้าวมองตัวเองต่อไปสีตัวที่สองคือตัวโทสะเมื่อตัวโทสะเกิดขาดสัญญาเมื่อสีตัวที่สองมีสีตัวที่สามก็ย่อเมื่อมีสีตัวที่สามก็คือราคะโทสะตัวที่สามเองทั้งสามตัวนี้เป็นสีใหญ่ๆที่มาแืฝงจิตวิญาณของเราหรือตัวเราจริงๆให้ก้าได้รับความที่ว่า ไม่สามารถใช้พลังหรือใช้อำนาจผิดวิญาณหรือใช้อำนาจกายผิดของเราได้นั่นยังพระองค์ต้องต้องเด็ดเาร์จอมไตรจึงบอกวิธีการปฏิบัติทําตนให้เข้าถึงจิตแท้ของเธอจิตเดิมแท้ของพระริยเจ้าหรือพูดง่ายๆที่พวเราเข้ากว่ากายของพระเขาแต่เจ้าหรือว่ากายของพระอรหันต์ก็ถูกนั่นยังเมื่อพวกเรามีกายของพระอรหันต์มีกายของพระริยเจ้าอยู่ทุกคน เราก็มาหาวิธีปฏิบ to so yes, ัติเพื่อทำให้ถึงใจั้งพระอรหันต์องนั้นทวิธีปฏิบัติที่ทําให้ถึงายพระริยเจ้าในจิตเมื่อเราปกติพระองค์ทรงสอนว่าเริ่มแรกต้องทํากายให้เป็นปกติทําวาจาให้เป็นปกติถึงายวาจาจะปกติได้พระองค์บอกว่าต้องมีปิชาบทปิชาบทคือพ่อยกเว้นข้อห้าข้อห้ามนีเรีอกว่าถึงถีงแลว่าปกติบุคคลใดมีถึงบุคคลนั้นปกติเมื่อมีายปกติแล้ว ความสอาะความสมบูรณ์ความบริสุทธิ์ของใจย่อมแท่พลังวิชาแห่งเกิดเป็นพลังอันใหญ่คือพลังสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วปัญญาย่อมเกิดเมื่อปัญญาเกิดจึงนำเอาปัญญาเหล่านี้แหละที่ได้มาจากอำนาจของสมาธิจะถึงไปตัดโวสีทั้งสามตทวคืตัวลาภะตัวาโบนัสเพื่อเราสามารถชาระล้างจิตใจคนที่เป็นพระโสดาบันก็สามารถเอา พลังอานาจของจิยิญาณที่แปรสภาพเป็นพลังปัญญาดันมาล้างตัวสุราคโตัวสัมหะให้เบาบางน้อยลงหน่อยก็ถือว่าเป็นกระสุนฐ้นคนที่เป็นตัวกีทาคาราคาก็ล้างให้สะอาดมากขึ้นไปอีกนิดนะลดหลั่นตามชั้นของพระเจ้าคนที่เป็นพระอรหันต์ที่หนักหน่อยยากมากหน่อยจึงใส่คา เพาฉะนั Pick ้นอำนาจาลังสมาธิเกิดได้เพราะสีงอานาจสินเกิดได้เพราะใจเราตั้งเป็นปกติายเป็นปกติอำนาจวิญญาเกิดได้เพราะอาศัยสมาธิเป็นเกณฑ์ก็พวกเราทราบอย่างนี้จิตเดิมแท้ของเราเป็นนุกขะเราก็น้องนําตอนนี้เข้าถึงจิตเดิมทําตามรู้สึกว่าธรรมะอยู่กับตัวเราเราคือธรรมะธรรมะ เป็นข้อที่พ็ะเจ้าทรงสังง่งสอนไม่ใช่อยู่ที่ไหนมีที่อยู่ในจิตใจไม่มีที่อยู่ที่ธออรรมาริศวะธรมาหริศวะอาจารย์ที่ไหนแต่พวกเรามีธรร ม, มะนิดหนึ่งโดยที่เราไม่รู้จักเอาธรร ม, มะหรือเอาพระญาติเจ้าในจิตของเรามาใช้ก็่พวาเราไปโขหลงลมไนมันนี่ของกูลูกของกูผัอของกูเมียของกูสมบัตรทั้งฐานทั้งหมดที่อยู่ในรอบกายเราเป็นของกูเมื่อเป็นของกูตัว น, นี้ภาษาบาลามะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่า ความผูกพันทางใจความผูกพันทางร่างกายเริ่มแอกคือความผูกพ like ันทางร่างกายก่อนเราสร้างพันธะแม่ละร่างกายขึ้นมาเมื่อพันธะของร่างกายเกิดใจก็ผูกพันเเพราะฉะนั้นเมื่อใจผูกพันไอ้ใจที่มันเไร้สะอาดไม่มีสระเปล่อกเหมือนลูกโป่งที่ลอยไปในอากาศกลไปโดนถูกตึงเอาไว้มันก็ไม่มีความบริสุทธิ์ไม่มีความสะอาดไม่มีการเป็นมีสระใจอันนี้แหละที่ว่าใจที่โดนโดนทุกทั้งสามอย่างเข้าทำร้าย หรือข้าหมอมเมาให้เกิดความไม่บริสุทธิ์เรียกว่าใจให้เลีเจ้าโดนทำลายแต่ยังไม่ที่ว่าโดนทำลายเราะงั้นเมื่อพวกเราทราบถึงตัวเองกว่าเราก็เป็นพระเดชะคนหนึ่งเหมือนกันถ้าสามารถทำได้ทุกคนก็จะสามารถทำให้ถึงขึ่งพระธรรมของพระเจ้าได้คือพระองค์ท้าถึงใดท่านผ่านท่านสอ่านโยอาจจะไม่เข้าใจสหลับดังคนมีอะไรถาถ่ายนะมีคณเห็น ถ้าผมบาปเรียนถามว่ากาปรปฏิบัติทางจิตแล้วจิดระเบิดละเอียดลงมากมายกว่าเดิมมากมายบาบคูถามว่าที่ปฏิบัตินี้ถูกติดระเบิดเยอะติดระเบิดก็ตายใช่หมตายหรือเปล่าเหมือนกันครับคนเขียนศัพท์ผู้ใหม่แปลกเลยผู้ศัพทาษาเกิดมาจนอายุป่านนี้บวชมาก็นานนะหวังพุทธภูมิมาก็มากต่ไม่ถูกิวติระเบิดเพราะงั้นพวกเราอยใช้ธรรมะ ทำเมาไปหมดอะไรก็ไปทำ เ, เามาเอาธรรมะไปใช้ในทางที่ถูกายเป็นว่าต้องมีโทษมี่มีประโยชน์อย่างนั้นเนี่ยความจริงแล้ววิธีการปฏิบัติพระตำรับฐา น, นทั้ ง, งิทั้งสี่สิบอย่างที่องค์พิเษปะกาศธนาทรงสอนวนั้น า, ามมุ่งหมายเขรงเพื่อหวังให้จิตเราสะอาดบริสุทธิ์เพื่อให้จิตเราสงบเพราะฉะนั้นเมื่อจิตสงบ ก, ก, ก็ถึงแดนพระนิพพานได้ แพร้นเราไม่ต้องไปนสนใจว่ามันจะระเบิดไปอนก่าไหนถ้าเราสา ม, มารถบงคัุหรือว่าพวกอารมอารมณ์กายอารมณ์ใจที่มันเกิดขึ้นได้ถือว่ามันยังไม่ระเบิดหรอกแต่เราก็นอุปทานมันเราแต่พอที่จะอันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นคํำตอบที่ถูกกับคําถามก็ถือว่าเราถามไม่ถูกติตอบไม่ถูกกเ็เลยแต่ในทางการใช้คําถามต้องถามให้ตรงแล้วก็ถามให้ถูกด้วย ถามอย่างผู้รู้ถามจะถามแบบคนโง่ผู้รู้ทําไมที่ต้องถามอีกเอ้าบางคนมันรู้มากรู้น้อยรู้ไม่เท่ากันเนี่ยแต่ว่ามันก็ต้องมีการถามกั่นบ้างให้คนที่มีคำถามไม่ถือว่าเป็นคนโง่แตนะหากว่าถามในที่ที่เรายังไม่เข้าใจในคําถามของเราเลงอย่าเอาคำถามมา้นมมาถามเพราะตัวเราเองยังไม่รู้ตัแต่าอะไรแล้วเราจะไปถามชาวบ้านจะได้อย่างไรมีอะไรอีกไหมถ้ามันมีอะไรนั่งนานไปเดี๋ยวก็สมทานเี่ด อดีสัองพาที่นี่เขะเกียดไม่ใช่ของพานมัดใหม่นะเช้าวันเราก็มาพูดกันว่าพวกเราเรี่ลูกหลานที่แล้วที่มาต้งเลยความจริงวันนี้จะบุญในส่วนที่โอกาสได้มาพบที่โอกาสมาเหมือนข้นอาจจะเป็นบุญของเราแล้วก็บาปของอาตมาก็ได้ก็ขอให้พวกเราตั้งมั่นมั่นหมายใจว่าบุญใดก็แล้วแต่ที่เราทำในอดีตในาปัจจุบันในชาตที่อนาคตต่าง จงรวบรวมเป็นัวัใจรบรรดา้เฝอมทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายที่นอยนใจที่องค์ที่เกดั้อนไปแล้วทั้งหลายเหล่านั้นที่มีเจั้หลายด้วยกันอาจบดเยาวก็วันจบคงไม่มีอะไรเนทีนี้เกษตรไทยจะทบุญูคนจะทบุญ ที่มันจะมาเรื่องอะไรแต่ถ้าที่จะทําบุญแล้วก็ตั้งใจให้เป็นบุญเป็นประลยชนคนที่มีทรัพย์ก็จ่ายคนที่ม่มีทรัพย์ก็ตั้งจิตอันโมทนาก็บุญต้งเด็ดเดี่ยวนอนโมทนาให้ได้เหมือนกันแต่อย่าอโมทนาอย่างอุตสุดลึกลงอข้างล่างเนยรับเละรับเบื่อภ็สาธุสาธุนะแค่พวกเราถ้าที่จะทําบุญแล้วอนุญาตไม่ทําได้แต่ก็อย่าวุ่นวายอย่าให้มันเฉยไปเลยเย้ย้วธรรมดาแล้วท่านมีคนเสียดมนุษย์เสียดคนที่สุด เห็นมนุย์มากมาแล้วมันจะเดินหนีมันเดินหนีมาตั้งแต่เช้าแล้วหนีไม่ออกทีนาดูแล้วมันเป็นวิสัยที่เราจะต้องทาเพราะคนเราหวังในสิ่งที่ตัวเองหวังเพราะั้นการหวังย่อมมีทางในการปฏิบัติที่เข้าถึงการหวังตมาก็เลยจะเปนต้องทาเมื่อทำแล้วก็หวังของเราคนจะพอใจและข้าใจในสิ่งที่เองชอบขมูลัวัหาอะไรมากพอแล้วยุกคนหรับที่จะมาทาบุญกับตมา แต่ให้พรเป n นส่วนใหญ่จำไว้ในทั้งสายธรรมะเดารักทั้งมาและทั้งปุกทั้งซายและขวาหน้าและหลังในบรรากาทั้งหมดจงัสิพิยานในการดำรงนของพวกเราขอพวกเราทั้งหลายจงได้รับการโหทนดาเพื่อพญดารัก ว่ารับขอยออกไขอออกใถวแล้วขอยข้างหลังจะได้ม่ถวายสายแล้วออกมาออกนะครับขยออกเยอกว่าก็อยู่ที่เดิมแล้วรอรับพราน้ดันเดี๋ยวท่านจะท่านจะหนีนะครับว่าปัจจังหลายไว้เยอะงแลครับต่ตื่นนันนะัจจัแล้ดอกมาขอได้โปรดวางในทางที่จะระเบิดนะครับ ขอทบตอาด้วยครับนะครับผู้ใดผู้ใดที่ถวายแล้วขอได้กรุณา้ออกอเลยนะครับเจ้ลขถวายบ้านนะครับผู้ที่ถวายแล้วขอกน อย่ไม่ต้องเดียดนะจ๊ะไม่ต้องเดียดนะจ๊ะค่อยๆนะจ๊ะทำอะไรเบาๆนี่ก็ค่อยๆนะจ๊ะเดี๋ยวเออๆนะอย่าขับนะนะนั่งรอ้วนะขอออกไปเลยถอยออกไปนั่งที่เดิมนะครับ่อยไปนั่งที่เดิมนะจ๊ะถอยถอยเชือกคละนะจ๊ะค่อยๆครับค่อยๆคุออ้ยนี่มีหุ่นนอนนะใครทั้งวันก็เอาม้ตงนบจตรงนี้จับถอยไปจับตรงนี้จับเดีาย มันเป็นเจ้าลมนะครับลมลมเลเดินไปไม่ไม่ต้องรีบนะโยไม่ต้องรีบนะจ๊ะไม่ต้องรีดค่อยๆนะจ้าค่อยๆไปเ้าครับไปเข้าครับลับเ่าก็นั่งรับพรข้างหลังนะจ นั่งที่เดิมนะฮะปล่อยไปเลยครับขอให้ปล่อยต่อไปนั่งที่เดิม่งได้ให้พอนะ ลูพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงพเจ้าะคุณบิดามารดาคุณคณรูบาอาจารย์รวมทั้งบุญคุณของพระโพธิญาณที่กำลเจ้าเรามาในอดีตชาติปัจจุบันนักชาติแ้จ้ขอพระบุโยคพระโพธิญาณทั้งหลายนั้นทรงเป็นภารวะกับใจบนบรรดาให้ลูกหลานทั้งหลายทรงได้เป็นผู้ถึงซึ่ทมแล้วที่องค์สมเด็จพระศวรมารชพระปิเั้ดดา ทรงสั่งสอนแล้วทึ่งพุทธศาสนาพวกเธอทั้งหลายจงเห็นธรรมเหล่านั้นด้วยดวงตาอันเป็นพิษเกศสุขมีปัญญาอันเป็นเยื่ของใสสามารถปราบจริญกิเลสและโรคพาทยาภัยทั้งหลายทรงเนผู้สติสุขในทุกข์วาราตีการทรงเป็นผู้มีอายุมีความเจริญในธรรมะของพระพุทธเจ้าทรงเนผู้มีวันนะสุขะภะระปฏิทานธนรสารทุกบัด ขอลูกหลานทั้งหลายด้วยจัตเจ้าพิถันทห่งเราผู้หวังพุทธภูมิเราใจเธอทั้งหลายจ ง, งบำเพ็ญบารมีการจิตที่เป็นกาธนาผลที่สุดของการบำเพ็ญบา ร, รมีนี้จงจนกสีทั้งวานให้เพื่อพยาดาเจ้าจงอวยไทยให้พรแกเธอทั้งหล า, า, า, า, ายจงมีความสงบสงบผลทุกขิวาราติการเพลิน สำหรับปัจจัยที่พุณโยมทั้งหลายพากันดยจากบุคคาพระธรรมทั้งนี้อาจจะมาจาแน่งเป็นสอน ส, ส่วนหนึ่งมอบให้กับพระในวัดท่าทุ่งเพื่อทำการคุณสงขอเธอทั้งหลายอนุมโมทนาส่วนที่สองจะมอบถวายให้กับพระอาการปิจากทั้งหลายที่พักในทั้หลาท่านาที เธอทั้งหลายจงอนุโมทนาการทั้งนี้มอบให้แกเจ้าที่วัดอันมีหน้าที่จัดการเรื่องเงินทองของฤาษีที่นั่งอยู่ข้างหน้านี้จงจัดการให้เสร็จแะเอาใครไม่มีอะไรก็ถอยกลับไปได้นฮะบางคนต่างได้จะไปตรงกระเป๋าแล้วไม่มีอะไรจะเกิดแล้ว ขอที่ถวายก็อยแกหาเพื่อใครคนนี้ขอประธานด้วยนะครับใครที่ถวายก้อยครับใครที่ถวายก้อยครับหมายเลนไหนครับสองรันนะครับสองนนะครับประานใไหมออกเช่นนี้เรนไเยที่วายก้อยเราทำนะฮะปรินามาทดสองพันนะฮะ ก็ใจที่เธอถวายบูชาคุณพระพุทธเจ้าและธรรมแล้วก็ขอผลบุญหร้งรวันานเธอเป็นเดเป็นรายเล้งาวนาปิตงที่เธอหวังจงเกิดเปนผลเอจายบารมีอนิจชายแห่งพระโพธิญาณเาเธอจงเป็นทมีศีลในดทั้งหมดในมือศีลที่เธอหวังเพื่ออำนาจิอันเป็นบารมีเป็บุญใหญ่เธอทั้งขอคูนของที่ศีลา ทำประโยชน์แล้วแต่จะพิจารณาไปหล่อพระก็ได้นะคโยมถ้ารับแล้วนะต้องาให้หล่อแกไหครับมีกข้อมของใครครับเนนี้ครับเส้นนี้ของใครนนี้ของใครอ่ดนของใครจะเนนี้ของใคร้ะสรยครับ้ทองเสนนี้ขครจ้ะได้เส้นนี้มีความจะเรบ้า ขอจงเป็นผู้มีจิตที่สรงคุณส์อยู่เสมอจงมีแางสว่างป่าจากทุกโศกภัยอุใจให้คนจกมองจริงทั้เหมดเข้าถึงจิตเดงแท้ที่พรนิพพานจิกสะอาดนั่นคือ่พระนิพพานที่สุดของพระกาจนาขอคืนชัยที่พระนิพพาบของใครเช่นนี้ครับส้อยครับสร้อยคอครับไร้อคเหยรอยอใครครับเช่นนี้ครับขอสรรับคืนเลยครับด่วนด้วยนะครับ ม่มีกถวายให้แกแล้วในทุกศาสนาก็ทการใดก็ได้แล้วแต่ก็จะนับแต่พรพิจารณาอทำหาจได้หนอกรสียช่นี้เมื่อมีเจ้าของไปแล้วะมาจะถวายให้แดกวัดท่าตรงเพื่อจะนับแต่พรพิจารณาทาการบูชาหล่อพระหรือทาอะไรก็แล้วแต่ให้เป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาเพอทั้งหลายจงร่วมอุทิศธรร เรือเราไม่ห่ะก็แบบสนใจเรื่องสุขลนที่จะไปเจอให้กับทุกคนเจ้าหน้าที่งานนี้ทำงานตรนี้ใช่ทให้ผมต้องกร ดีมากเลยดีเลยดังนั้นครับมีคนเรียนว่าถ้าวายปัจจัยทาง่ก็ถือว่าแล้วแต่ความสามารถของเจ้าของนะคือปกติทางวัดเราก็จ่่นอยู่แล้ว เขาแบบว่าผ่อนใดในข้าวว่าบังเกิ c จงบังเกิดจากเธอและครอบครัวเป็นหลัก ออกไปทางที่ผมเลยจะมีป n นมาเลยหมดตั้งใจปฏิบัติตัวกลางไม่ก่ำก็ได้แล้วก็ได้จะหงยไม่ได้แล้วจะตีเอาอะไรเอาที้แล้วขอเชิญออกเลยนะครับ ได้พรแล้วขอเชิญออกเลยนะครับพระององค์ทรงทรงพระค์ระครออองทองคงงคะครททงรพรงะครอะทคอรครออทงงอท รู้สึกรู้สึกเลยพยายามทำด้วยทองดีนะเอ๊ะเดือดทองไวเกินจนได้เกืบหมดแล้วคืไ่นเยเอามได้เบ้อยแล้วก็ตคนต่างไปเออางาเนเียคนสคนสนะ มาตับเลยครับตัด ลบทมีรายลเอีงนที่มีรายละเอียดลงมีอายุที่มีปัจาัยที่ต่อตัวมีวันน้อที่ใสมีเจที่ใส่มีใจที่าม่เจ้าสึงจะฝกไม่อู่กจะหาที่ที่ต้องทำใจหรือว่าให้พรเป็นภาษาไทยเป็นส่วนใหญ่าะฉะนั้นในอย่างที่ให้ไปในตะวันย ไม่เอาที่ใส่เลยไรับอะไรเลยถ้าผมอยากก้อยากเรียนศาสาอจจะมากอืมก็เสร็จ้่คือคุณคิดบอกให้มาก็่หุ เด็กเขายอมไปได้บรรลุแล้วเขาทำทั้งหลายเ่านั่งยืมไปเกิดเจอทั้งหลายก็รู้สึกยิ่งยิ้มไม่ยอมอินไม่ไม่เบื่อในการให้พรก็ถือแล้วกลับก็ถือเลยบ้านได้แล้ยิ่ดีนะครับทำไมเราจะถามอะไรก็แล้วแต่ ถามแล้วไม่เปประโยชน์กับผู้ฟังส่วนใหญ่หรือว่าไม่ตอบแตถามในลักษณะที่ว่าต่างคนต่างถามว่อต่างคนต่างตอบไม่มีประโยชน์สำหรับผู้ฟังส่วนใหญ่หรือว่ามีประโยชน์ส่วนใหญ่ไปเนี่เอ่อเด็กเขาโตได้ใจไม่ได้ต้องขออภั ที่ห้ามถ่ายรูปเขาไม่อยากเป็นดาราถ่ายกล้ออย่างที่ถ่ายอไรแล้วก็ไม่มีประโยชน์ถ้าถ่ายไปก็ไม่ทาให้เธอไม่ตายถ้าเธอยังถ่ายแล้วยังตายอยู่ก็อย่าไปถ่ายเลยปฏิบัติธรรมะของพะเจ้าที่ทาให้ไม่ตายดีกว่านักแสดงไปดูนะเออหลับเสร็จแล้วถอยออกเลยค่ะขอคนหลังด้วยค่ะขอคนถ่ายน้ำไปลงที่ดีใจลงเออลงที่ดีใจลงเป็นน้ำ มาใจยังา้อะไรูนี้ไม่รน้ม่ไปิให go ้ทำยาให้สจะนั่ง้อยู่ไม่ได้ประโยชน์อ่ะอ้าวตู้ปเดินทางระดับทอบปลอดภัยใจเลยเป็นกา คุณิงหมดด้วยการนมโทนาเป็นส่วนหนึนงเหมืนก็ขอให้เธอได้รับผลคุ่ได้ทำในอดีตปฏิกาหน้านาวพระการต่อไปเองหลายต้มีบุญที่สนทําได้รับที่เจ้าที่องค์ทไดแล้วด้ยเริอนี้ออกแล้ก็านีด้านหน้ากราบแต่ขอออวดด้าหลังนะครับ ทำในรับใจกันแต่คือเราขค่ให